ต่อจากนี้ 3 า, 25 มกราคม 2525 ที่ ก็ทวนอีกนิดนึงๆธรรมดาง่ายๆอ่า ซักตรงๆไม่ๆสันง่ายๆไม่ๆเราหมดติดหมดเสพ ความความหมายคําว่าๆจนไม่มีรสเค้าเรียกอุเบกขาอุเบกขามันเฉยสัมผัสก็เฉยอ่า แต่ก่อนเราๆ พอเราสามารถควบคุมเรียนรู้ด้วยวิปัสสนาและสมถะ มันจะทําให้เราฝึกสติไปในตัวเมื่อเรา เห็นเค้าทาหน้าทาสีสมมุติเป็นผู้หญิง <ม. S 1> ในการที่มันไปพบไปผ่านไปสัมผัสดี งานนี้ได้ดีแล้วมีภาวะซ้อนเหลือง <c oughs> เช่นเราเคยติดเสียงเพลงเราเคยติดเสียงเพลงแต่เราก็เอามาตอน แล้วก็ไปมวนแต่เราไม่ได้ติดเล่าเราไม่ติดเขาเราก็ไม่ได้ กิริยาก็ดีการสัมพันธ์ก็ดีอย่างนี้ มันไม่สุดจริตไม่สุจริตเราจะต้องมาปรับมันไม่ให้เป็นขยะให้มันเป็นของงามถ้า เมื่อเราสํารวมสังวรอยู่แม้คนเขารู้ว่าเรากําลังดัดจริต ธรรมชาติเดิมไว้ก่อนก่อนหรือเราเคยเดินเร็วพอมาเดินช้าใช่ การผิดปกติดังกล่าวนี้เป็นการฝึกซึ่งเรา เป็นการสํารวมสงวนซึ่งปรับกายสุจริตวจี พระพุทธเจ้าสอนเราว่าต้องมีการฝึก จะกํา 3 ให้เป็นสุจริตเป็นสุจริต 3 ไม่ว่ากายก็สุจริต ความมับเลยแต่ก่อนนี้เห็นบุหรี่ไม่ได้มันๆนะเพราะ จับตอนมันจะได้เห็นเกิดการ เื่อมน้อยหยิบๆก็เอาถ้าๆมันๆเรานี่ห้ามไม่อยู่เลย อ่ะก็ทําถ้าบอกว่าเราเองเราเป็นอย่างนั้นเรามันไม่ ติ๊งติ๊งกันแล้วก็อนุบาลที่นี่น่ะพวกชั้นกอไก่มาไม่ได้รอก มันจะสอนยังไงกันฉันอนุบาลด้วยฉันด็อกเตอร์ด้วยก็เต็งกันนะมันเป็นไปไม่ได้ทั้งโลกก็รู้ดี มันจะต้องเรียนรู้มีมโนกรรม เดินเร็วขนาดนี้คนนี้ดูงามงามดูเนียนคนนี้ น่ะไม่ใช่เอาตามเคยชินของตัวเอง คดีได้จริงเราจะรู้นี้ได้ประโยชน์สุขุมเอออย่างนี้ๆ เมื่อพลาดห่างแล้วทีนี้เราเห็นว่าจิตใจเราแข็ง นึกอาจจะไปตุงเล่าให้เค้าดื่มเราเป็น ปรุงให้เป็นยายาที่ มันมันได้มีน้อยคนกินยาเพียวๆได้มัน ต้องรู้แล้วเราก็กระทําเอาทีนี้พอเวลาส่วน เราไปมันลืมแล้วเราก็จะได้บทเรียนใน เราได้ทําบ่อยๆแล้วก็เก่งชนะขึ้นเรื่อย เป็นการชนะเด็ดขาดลักษณะของอนาคามีเป็นอย่างนี้แม้แต่ หรืออทุกขมสุขเป็นเวทนาที่ลึกซึ้งละเอียดเนียนนัยมันยังจะๆทุกข์ๆนั่น ถึงลักษณะนี้ไม่ใช่ของมโนปวิจารมโนปวิจารไม่ มันก็จะมีเกิดเวทนา 3 อยู่ทุกประตูเข้าไปรวม มีลักษณะ 5 อย่างกล่าวแล้วแข็งแรงนี่เราทําชาญอย่างจริง มันก็กลับจะไปกลับไปชอบตัวอีกหน่อยหน่อยก็ เจาะแทงดูให้รู้ละเอียดเลยมาจะๆ เจตสิก 3 คือเวทนาสัญญาสังขารชัดแล้วเราไม่มีสังขาร เมื่อเราจะถ้าไม่มีอารมณ์ที่เราชอบเราชังเข้าไปปรุงร่วมเลยนี่เราปรุงโดยเรามีอารมณ์โทสะมูลอย่างละเอียดยิบไม่ว่า อิฏฐาอารมณ์ชอบอนิฏฐาอารมณ์ชังอิฏฐะอิฏฐารมณ์อโศกธุลีหมองธุลีเรืองนี่กล่าวนี้มันละเอียด เป็นจิตที่มันเป็นอรูปแล้วมันไม่มีตัวตนเนียนสนิทแล้ว มันไม่มีตัวตนอย่างละเอียดลึกซึ้งเรา ฌานกามเฉยๆแล้วไม่รู้ว่ากามมันมีฤทธิ์แรงยังไง ไม่หลับแม้แต่เป็นไปนั่งหลับ สัมผัสแต่ต้องเราๆเนี่ยถ้าใครที่เป็นนักสติปัฏฐานนักเร ยังมีเศร้าทุกข์ไอ้เศร้าทุกข์ที่ว่านี่ก็คือๆแล้วนะเป็นธุลีอ่า ฟังดูจะรู้เหตุผลจะเห็นชัด หรือใครไปนั่งสมมุติเอา ก็กลับไปกลับมากลับมาสัมผัสดูอนาคามี แล้วก็ดูจิตใจที่มันโหยหาอาวรณ์ ญาณรู้ความเกิดความดับของสิ่งที่ผ่านมาพบมา เราว่าโอ้นี่เรายังแสดงออกทางกายแสดงออกทางวาจามันยังคน จะสุกเอาๆผมเองว่าศีลบารมียังไม่ดีนักใน แต่งงานที่เร็วได้ก็เนี่ยสันตสันติน่ะเรียบราบรื่นปั๊บเร็วด้วยแล้ว แม้วันฟันจนกระทั่งมันไม่มีอะไรพริกแพงเลยนะไม่มีอะไรกระตุกเลยอย่างที่ ล่มละแน่ถึงอย่างนั้นมันเนียนมันสนิทเนียนอย่างนี้เป็นต้นง่ายงามมันงาม เมื่อมันเกลี้ยงไปหมดเสมอเรียบๆง่ายๆ แต่ไม่มีบทสุขัดเขาจะไม่เข้าใจเลยว่าบท อ่ะกระทําทั้งกายให้พอเหมาะมากๆทําจีเป็นจนๆแต่ 24 ชั่วโมง ผู้ใดนอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีเรื่องเศร้าหมองนอก ผมนี่เข้าไปในซ้วมมันไม่มีอะไรจะ พอจะแน่ๆไม่ใช่ถูกเวลานอนแล้วหวานเลยกิเลส ว่างไปนั่งแล้วก็พิจารณานั่งว่างๆมันไม่ฟุ้งซ่านเพราะ ใครนอนตื่นขึ้นมาก็มีปัญญาขึ้นมาได้เรื่อยๆ พอเวลาเราดับพัก เหมือนกับสิ่งที่มันยังติดอยู่มันยังกังวลอยู่เมื่อมันยังเป็น ไอ้ที่เข้ามาปรุงอยู่เราไม่ๆมันเป็นจัดจัดธรรมตามความเป็นจริง เวลาท่านก็ปรุงงานท่านก็ปรุงแม้เวลาว่างเวลาทํางานไม่ปรุงได้ไงมันๆไม่ มันหยุดไม่เคยได้เพราะงั้นแนวนงของศาสนา เมื่อเราทําตายได้แน่ใจแล้วว่าเหตุ จิตวิญญาณพระอรหันต์จิตวิญญาณพระเจ้าจิตวิญญาณ ก็ปิตติยิตติทําดีมากๆก็เหลืองรอยขึ้นไป เราจะมาประดิษฐ์สถานให้เค้าจะมา ให้มีวิชาให้สูงในมากสามารถที่จะมีสังคตธรรม ธรรมะที่ไม่ปรุงไม่แต่งนั้นมีนิพพาน สังขารก็ไม่มีอะไรแซมมาปรุงเป็นรสเป็นชอบเป็นชัง เมื่อเราทำถูกที่ถูกเรื่องของจิตปัญญาณถูก ไอ้นี่เจตสิกไอ้เวทนากอนี่เวทนาขอๆไปทางโทสะมูลไอ้นี่โน้มๆ เป็นไปเพื่อก็ดีแล้วล่ะเราก็รู้ดีเป็นเมตตา ดีใจไม่รู้แล้วแล้วยังดีมากความ มันใช้สอนอยู่ในเมืองไทยภาษาไทยเราเลยได้ เสียไปเพราะมันมากไปมันไม่สัมมามันไม่มัชฌิมมานี่เราต้อง ความหมายซ้อนชอบชอบแล้วที่จริงมันเป็นคํากลางแต่เดี๋ยวนี้มันเอียงไปข้าง ใจมันว่างๆนะเพราะเราก็มากลับภาษาสื่อสื่อไปหาอาการ พอวางแล้วก็เออก็พอแล้วก็วางภาษาพูดเป็นอย่างนี้ใจคุณ คุณฝึกได้คุณก็ทําได้คุณฝึกไม่ได้ฝึกไม่ถูกมัน มันเกิดคุณเกิดค่าขึ้นมาแล้วเรา แล้วเราก็จะไม่หลงความดีจริงจะไม่เกิด พอเป็นคนแล้วพรากงานเพราะว่าเรางานนี้เราไปคลุก ไม่ต้องทําในชีวิตไม่ต้องเลยไม่เอาเลยถ้าต้อง เออตอนนี้อินทรีคนนี้สูงขึ้นแล้วเติมสีให้ 8 ลดลงมาอีก ที่ย้อนเอาเดี๋ยวนี้ก็ค่อยๆลดมัน มันจะลดๆไปในตัวเนียนยืดหยุ่นไปมานี่ <ๆ S 1> เราซวยอ่ะไม่มีใครอื่นหรอเราเองแหละซวยเพราะในรายละเอียดพวกนี้ นี่ฉันก็มาทําอย่างนี้แหละนะแก่ตัว <ม. S 2> ระเบิดดังด้วยแล้วก็แตกอย่างแหลกด้วยนะคุณก็เป็นไอ้บ้าเลยตอนนี้ ซึ่งเราไม่รู้ในชิรนุปาธิชีวนุปาธิของมันมันแล้วล่ะเชื้อนี้ ถ้าเป็นเชื้อตัวนี้ก็ยังดีที่มันมี แต่ชีรณุปาทินั้นได้เหตุปัจจัยก็ยังลอยๆพอ บางอย่างมันไม่มีเนื้อมีหนังแล้วมันแก่แล้วมาปรุงมันก็เหมือนอ่า เพราะงั้นเราจะไปเป็นสัจชาในคนคดเนี่ยก็คุณก็ ต้องเธอเองคุณก็อ่านของคุณเองคุณเธอ รูปเรารูปบางรูปเราทนไม่ได้เสียงสัมผัสแล้วก็หัดอยู่ทุกๆแต่ทุลีวางวางเขมะ โคมะเข้ามาแปลว่าขาวโคมะแปลว่าขาวโคมพัดแปลโอหรืออุเขมะอุอะอาอุอูโอไอ ก็เป็นขะธาตุขะธาตุมะธาตุมะธาตุขะมะขะขม มันยังขมใจอยู่ยังขมใจอยู่มันยังไม่จื่อสนิทว่าง ถ้าเรารู้ๆแล้วเรารู้ได้โดยตนเป็นปัจเจกตังเราจะ แล้วก็มันก็ตั้งอยู่มันว่างแม้มันเกิดมันก็อะ มันใกล้ที่สุดแล้วมันมีรูปนามกันหน้าๆ แม้ที่สุดก็ปะเป็นผู้ที่ สถียกรรมดีเด่นดีเด่นอะไรอย่างงี้มันเป็นจิตมโนกรรมกรรมได้ วจีกรรมนี่ความหมายปลายเลยสุจริตนี่ความงามจนกระทั่งปลายเลยจึงเป็นการงาม ใครทำลายไม่แตกทำลายไม่แตกความดีงามอันนี้ อะไรอะไรไม่รอนรานธาตุกุศลนี้ธาตุกุศลนี้ก็ นะเมื่อไม่มีตัว อธิบายให้สู่ฟังฐานของผู้ที่ ข้างนอกนี่เราสบายอาจจะมีโอปปาฏิบัติกะเล็กน้อยก็ต้อง สิ่งที่ปรุงไปดีคิดไปคิดได้ว่าโอ้ไอ้นี่เป็นจุด เรียกว่าตัวเป็นลงตัวอยู่ดีแกร่งเกินไปอ่านี่แท้ จิตสงบหยุดหยุดไปจมฝังเป็นตัวเหมือนกบ สำหรับผู้